ภูมิจิตพระอนาคามีพระอนาคามียังมีมานะอยู่แต่มันเป็นของละเอียดแต่ความสำคัญตนว่าเหนือเขาในพระอนาคามีไม่มีแต่ท่านมีมานะของท่านอย่างหนึ่งนั่นแหละมานะเป็นภูมิของพระอรหันต์จะตัดขาดได้อวิชชาก็ยังอยู่ พระอนาคามีก็ยังมีความเห็นไม่ลงรอยกับแนวทางอาริยมรรคในขั้นนี้คือในขั้นอรหัตตมรรคท่านยังคล้องใจสงสัยอยู่เพราะความคล้องใจสงสัยก็จัดเป็นมานะประเภทหนึ่งคือยังไม่เห็นด้วยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นจึงยังคล้องอยู่ไม่ใช่มานะแบบสําคัญว่าตนดีกว่าเพื่อนหรืออะไรทํานองนี้คือว่าทิฏฐิมันยังไม่ลงยังไม่ลงสนิทดี คือการพิจารณามันยังไม่แตกยังมีความคล้องใจอยู่บางสิ่งบางอย่างที่มันละเอียดเนี่ยมันยังคล่องๆ อ, อยู่เพียงแต่สงสัยว่านี่มันใช่หรือเปล่าใ ช, ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่มันก็จัดเป็นพวกมานะแล้วพระอนาคามียังตัดสังโยอดละเอียดไม่ได้อีกหเพราะภูมิจิตของท่านละเอียด บางทีท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าท่านสำเร็จแล้วนี่ก็เป็นมานะเหมือนกันแต่มานะทิฏฐิที่ไปสำคัญว่าตัวดีกว่าเพื่อนกว่าฝูงหรือไปข่มคนนวน้นคนนี้นี่ท่านไม่มีแล้วความที่จิตคิดมากคนทั้งหลายว่าจิตฟุ้งซ่านภูมิจิตของพระอนาคามีนี่ถ้าแม้ว่าจิตท่านจะฟุ้งซ่านก็ไม่มีปฏิฆะกามราคะปฏิฆะไม่มี ฟงนี่มันฟงฟงไปความยินดีความยินร้ายไม่มีพระอระหันต์ก็จิตฟุ้งเหมือนกันฟุ้งด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาแต่ความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญในความคิดความอ่านของท่านไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีจิตของพระอระหันต์สักแต่ว่ากิริยาคิดก็เป็นแต่เพียงกิริยาจิต พระอนาคามียังหลงสังขารอันละเอียดอยู่กามราคะปฏิฆะท่านหมดไปแล้วที่ท่านต้องไปเกิดเป็นพระพรหมมีรูปหรือรู ป, ปรพรหมอันนั้นมันเป็นวิสัยของพระอนาคาเป็นอย่างนั้นท่านไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุดทาวาสแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บำเพ็ญเพียรต่ออยู่นั่นก็ได้สําเร็จอรหรันทีนี้ถ้าหากว่าท่านไปเกิดเป็นพรหมชนิดที่ไม่มีรูปหรืออรู ป, ปรพรหมท่านก็ไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญต่อ เพราะว่าการบำเพ็ญธรรมนี่มันต้องอาศัยกายเป็นหลักการมาราคะเป็นกิริยาอาการของจิตที่มีความกำหนัดซึ่งจะมีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตามในความรู้สึกนี่มันก็เกิดความกำหนัดแต่รูปราคะนี้ความกำหนัดในรูปคือมันต้องเห็นรูปแล้วมันจึงเกิดหรือจิตคิดถึงรูปที่เราชอบมันก็เกิด ปฏิฆะความหงุดหงิดใจมันเป็นจุดเริ่มของความโกรธการราคะเป็นจุดเริ่มของความกำหนัดยินดีปฏิฆะเกิดจากไหนมันเกิดจากอารติคือความไม่ยินดีการราคะเกิดจากรติคือความยินดีอรูปราคะความยินดีในอรูปหมายถึงจิตที่ไม่ยินดีในอรูปฌาน เช่นอย่างพรมไม่มีรูปพรมนี่มีสองประเภทรูปประพรมอรูปประพรมพวกอรูปประพรมนี่ติดในความไม่มีรูปจึงไปเกิดเป็นอรูปประพรมการบำเพ็ญเพียรของเขาบำเพ็ญไปสู่ความไม่มีรูป